บุกทูหกสิบห้าามตสตาิาตติการปฏิเสธสองอาร์กปามโอเรอาร์กปาโอริแหวนวงนี้แพงไหมคะ เปดิซวิรเปดวิรไม่ค่ะแหวนวงนี้ราคาเพียงหนึ่งร้อยยูโรอาอิสมขลดอสีโรกร์สอาอิสมขลดออโรกร์สแต่ดิฉันมีแค่ห้าสิบเท่านั้นค่ะ m a g เมม х о л о อมุมมดมตาที่มุสมม х о л о รมุตามาุสคุณเสร็จแล้วใช่ไหมอกเวมจัดารอกเวมจัดคารไม่ยังไม่เสร็จค่อะอะไรจรอระไรอะร เชรอารแต่เดี๋ยวก็เสร็จแล้วค่ะมักรมอัคลาเวมซาดวิเนบมักรมอัคลาเวมซาดวิเนบคุณอยากได้ซุปเพิ่มไหมคะกินดกเดซปกินดกเดซปไม่ดิฉันไม่อยากได้เพิ่มแล้วค่ะ อ า, อารือาหารมินด้วยอ่ารออามินตยแต่ขอไอศกรีมอีกถ้วยค่ะมะกรมัมกีเดเอิร์ทีนักเอนี่มะกรมัมกีเดเออร์ทนากอนีคุณอยู่ที่นี่นานแล้วหรือยังคะอุ๊กอิดดิชันยาอักชูกรบ อักชรบไม่ค่ะเพิ่งเดือนเดียวอะไรลดเอทเว อ, อะอลดอทเวแต่ดิฉันรู้จักคนเยอะแล้วมา g r a m อุกเวดเบิรขัลกสฟิทน g r a m อุกวดเบ คุณจะขับรถกลับบ้านพรุ่งนี้ใช่ไหมคะควชวอลซชาไม่ค่ะจะไปตอนเสาร์อาทิตย์อาคลดชบบดาบวรัสอาดคลดชบบดาบวรัสแต่วันอาทิตย์ ดิฉันจะกลับมาแล้วล่ะค่ะมากรัมควิราสวดาวปรุงเดบีมกรัมกวีราสวดาวบรุนเดบิลูกสาวของคุณเป็นผู้ใหญ่แล้วใช่ไหมคะเชนิคาลิชวิลิอุกเวกายซาร์ดาเชนิคาลิชวิลิอุกเวกายซาร์ดาไม่ใช่ค่ะ ลูกกิฉันเพิ่องอายุสิบเจ็ดปีอาราอิสเจร์มโลดชวติลิสอาริอาราอิสเจร์มมโล ด, ด, ดลิสอาริแต่เธอมีแฟนแล้วนะมากรามัมมาสอุเกเมโกบาริเกาส์มากรัมมาสอุกเมโกบาริ กรุณาไปที่ www. b o o k t o de สำหรับหนังสือและดาวน์โหลดเวอร์ชั่นใหม่ล่าสุด